วันนี้พวกเราได้อธิษฐานเข้าพรรษากันทั้งภิกษุผู้อยู่เก่าผู้บวชใหม่แม่ชีแม่ขาวแม่พรามทั้งหลายซึ่งการที่เราในตั้งใจที่อยู่ จับมษาในอาวัตใดอาวัตหนึ่งนั้นนะก็เพราะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพุทธานิญาติเอาไว้เมื่อถึงฤดูฝนภิกษุทั้งหลายนั้นนะ่ะท่านให้อธิษฐานจาับมรรษาในอาวาตใดอาวัตหนึ่งแม่ท่องเที่ยวไปไกลหรือไม่หามีทุระไปก็ต้องกลับมาคือไม่เกินเจ็ราตี เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสะดวกสบายในการพิปฏิบัติธรรมเพราะในเวลานอกพรรษานอกกะดูฝนนั้นภิกษุทั้งหลายก็มีการท่องเที่ยวทุดงไปหาความสงบหาความวิเวกในสถานที่ต่างๆหรือบางทีก็มีการซ่อมแซมเสนาสนะที่ผู้ที่พัง อย่างเจนวัดเราตลอดปีที่ผ่านมาก็ได้ส่งเสมทั้งศาลาทั้งกุฏิที่โดนพายุพัดกระหน่าถล่มไปซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เข้าพรรษาอย่างนี้นั่นะพวกเราก็ต้องงดสิ่งต่างๆแล้วนั้นอันจะเป็นเครื่องกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงตระอิสระอธิษฐานที่อยู่จำพรรษา แล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญในจิตในใจของเราทางด้านจิตตภาวนากันนีการอยู่ร่วมกันเราต้องเข้าใจว่าวัดสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เราครูบาอาจารย์ท่านได้มาบุกเบิกสร้างไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สัพปปยะพอเหมาะแก่การบาเพ็ญสมณธรรม ของผู้ที่มีความเจริญไฝ่ในธรรมคือถือเป็นสัพยาด้วยเสนาสนะก็คือมีที่อยู่มีกุฏิมีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่มุงที่บงังเพื่อป้องกันสัว์ร้ายป้องกันเหลือบลิ้นยุงต่างๆหรือป้องกันแดดป้องกันฝนพอให้เราได้เป็นที่มีความสัพยาในการบาเพ็ญ พิปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสปะยะทางนั้านอากาศคืออากาศก็เป็นอากาศที่เป็นธรรมชาติของป่าของเขาที่เหมาะสําหรับในการทําความสงบพฤฤฤฤิเวกแล้วก็เป็นอากาศที่ดีเป็นอากาศที่เหมาะสําหรับสุขภาพของเราความสงบและก็ความสปะยะทางด้านอาหารเราพอมีที่บิณฑบาตจากชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ถึงแม้อาหารจะอาจจะไม่เพียงพอบ้างแต่เราก็มีโรงครัวซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ได้หาสิ่งต่างๆให้มันพ่อมูลสำหรับที่จะคอยหนุนเวลาอาหารที่มันยังขาดแคลนก็พอเป็นไปในอัตภาพในการจัดรงชีวิตในการวฤปปฏิบัติธรรมจากนั้นก็มันมีความสัพยาลำ้านบุคคลบุคคลที่มาเกี่ยวข้องมีครูบาอาจารย์ คอยนํามาพฤติปฏิบัติซึ่งวัดเราเนี่ยเราตั้งเปิดวัดไว้เพื่อพื้นที่ปฏิบัติทางด้านจิตอภาวนาเพื่อการจเจริญธรรมกันเราไม่ได้เป็นวัดที่แสวงหาลาบยศสรรเสริญไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นวัดอื่นๆที่ท่านมีเม้นเผาผีเผาศพกันงนั้นเราต้องมาอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อหลีกเล้นในการพิสปฏิบัติธรรมกันไม่แสวงหาลาบสักระใดๆทั้งสิ้น ความสัพเยะษทั้งสี่เหมาะสำหรับในการจะบำเพ็ญภาวนาทมกันซึ่งพวกเราได้มาเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในฐานะใดก็ตามแต่ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้ให้หมดแล้วเราเป็นผู้บวชใหม่เข้ามาก็ดีหรือแม่ชีแม่ขาวแม่พางก็ดีก็เป็นผู้ที่เขามาอาศัยมาอาศัยเพื่อจะได้ปพิปฏิบัติธรมในสถานที่ของท่านเหล่านั้นดังนั้นเราต้องศึกษา ว่าครูบาอาจารย์ท่านวางแนวทางไว้อย่างไรในการพษษษษึกปฏิบัติธรรมการปฏิบัติในด้านจิตตภาวนาเนะี่ยท่านก็วางแนวทางไว้ถ้าเป็นของพระท่านก็มีขอวัดปฏิบัติต่างๆถือตุลงขวัดเป็นต้นเพื่อขัดเกลากิเลสให้มันเบาบางลงไปเพื่อความสะดวกสบายในการบําเพ็ญสมณธรรมมีการมินทบบาทเป็นวัดมีการถือผ้าสามผืนเป็นวัดมีการฉันมือเดียวเป็นวัดฉันอัสนะเดียวเป็นวัด อันนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นเราจะอธิษฐานต่อไปเช่นการจะเนรศิกกดีการจะอยู่บำเพ็ญภาวนาในข้อวัดปฏิบัติตา่างๆที่มันเกื้อนหนุนในการบําเพ็ญภาวนาของเรานั้นเราก็ทําไปเช่นผอนอาหารบ้างอดนอนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวหรืออดอาหารอดนอนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านผ่าดำเนินมาซึ่งเป็นปฏิปทาที่จะเป็นเครื่องหนุนในการที่จะบำเพ็ญเจริญภาวนาของเรา เพราะว่าจิตใจของเรานี่ยนะมันมีความคึกคะนองกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงมันฝังอยู่ภาในจิตใจของเราเมื่อถึงเวลามันก็แสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาหาอุบายวิธีการที่จะปราบปรามมันเช่นที่เราเข้ามาบวชเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเพศของเราเพื่อจะเหมาะสมที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติชําระสสารกิเลสภายในหัวจิตหัวใจของเรา น, นเราบวชเข้ามาเพื่อตั้งใจพฤ่งปฏิบัติมาชำระกิเลสไม่ใช่บวชมาเพื่อสังสมกองกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุบายวิธีการปัญญาดังที่พระเจ้าทรงได้สั่งสอนมาไว้ต่อมาก็ทั้งสอนให้เราป ร, รบความเพียรการป ร, รบความเพียรเนี่ยเราจะป ร, ะรบอย่างไรถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าความเพียรของเราคือเพียรทาจิตของเรานะให้มีความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา สำหรับผู้บวชใหม่ผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติใหม่จิตใจยังไม่มีสมาธิเราต้องทําสมาธิเกิดขึ้นวิธีการาทําสมาธิก็ได้สอนม า, าต้องเอาจิตเอาใจของเรามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างในอย่างหนึ่งเป็นที่ถูกจริตนิสัยของเราเมื่อเราปฏิบัติทดลองดูแล้วรู้สึกว่ากรรมฐานนั้นถูกจริตนิสัยของเรามีความสบายใจเราก็ยึดเอากรรมฐานนั้นจิตกันหมดลมหายใจเขาออก หรือกำหนดคํามรรคกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธทีนี้เราจะเพียรอย่างไรถ้าเราจะมารอแต่ทําวัดสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิแล้วเวลาที่เหลือนั่นเราไม่ได้เจริญสติของเราก็ไม่จัดหว่าเป็นความเพียรใจของเราก็จะฟุ้งซ่านอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายไปในใจของตนเองเมื่อจิตใจของตอนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ไปยึดเอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องอยู่แล้วเครื่องอยู่ น, นั้นมันก็เข้ามา ทกข์กระเทือนจิตใจตนเองแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่มันก็ทํากายให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องอยู่ตั้งจิตตั้งใจของเราอยู่กับกรรมฐานที่เราตั้งไว้คือคําำบริกรรมภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆหรือกําหนดลมหายใจเขาออกแล้วแต่จะถูกกิเลสใสของเราหรือจะหายใจเข้าพร้อมคําบริกรรมภาวนาพุทโธก็ได้เช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหรือหายใจเข้าก็ บริกรรมเร็วๆเข้าไปในระหว่างที่เราหายใจเข้ายาวๆเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอหายใจออกยาวๆแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธเพียงแต่ขอให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งหลับตาหลับมือตัตามาเดินโยกมอย่างเดียวจึงจะเป็นความเพียรไม่ใช่ขอให้เรามีสติอยู่กับหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอย่างนั้นก็ถือว่าเรามีความเพียรแล้วเรารับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรสติเราทันไหมตั้งแต่การตื่นนอน เราตื่นนอนเรารับผิดชอบตัวเองเราตื่นทันไหมเวลาเวลาที่เราตั้งไว้จากนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเราล้างหน้าแปรงฟันชําระสะส า, สางร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราทําได้ไหมหรือความขี้เกียจที่ค้านเรามันทําให้เรามาคอยขัดคอยขวางจากนั้นใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่ของตนเองอย่างพระเราก็ทําหน้าที่ขอวัดปฏิบัติต่างๆด้วยความมีสติ ลึกรู้เท่าทัานอยู่เสมอขณะนี้ควรทําอะไรปัญญาก็ต้องตามติดนะทําและจะทําอย่างไรวิธีการอย่างไรทําข้อวัตดอดันนั้นให้รู้ล่วงไปเราก็ต้องดูความพร้อมเพียงความสามาคัคคีกันแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการออกบินน บ, บาตหรือในการกบเคี้ยวในการรับประทานอาหารในการล้างบาทในการดูแลเส้นทางต่า ง, างเราต้องมีสติติด ต, ตามไปการมีสติดิดตามอย่างนี้รู้เท่าทันอย่างนี้ ตามการเวลาและปฏิบัติได้ด้วยความเรียบร้อยดีงามเนนะี่ยถือว่าเรามีสติปีปัญญาในการทําความเพียนถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีความเปียนพยายามของเราอย่อยางต่อเนื่องกันไปแล้วเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอีกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งยีบสีนนชั่วโมงดูแล้วข้อวัดปฏิยาต่างๆมันเป็นข้อวัดที่ตายตัวเราจะหักข้อวัดต่างๆออกเช่นตั้งแต่บินเบาทการโขบการฉันใช้เวลาเท่าไหร่ฉันน้ำปณะใช้เวลาเท่าไหร่ทําความสะอาดกวาดลานวัด ทำคอสซาทห้องน้าดูข้อวัจจา ก, กุบาจารย์แล้วใช้เวลาเท่าไหร่รวมแล้วก็ไม่เกิน4ี่หชั่วโมงเหลือเวลาที่เหลือนั้นก็อ้าวหลับนอนใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงนอนถึงสี่หรือ6ชั่วโมงเพราะนธรรมเราภาวนาคอนเพียนนี่ความมีสติต่อเนื่องทั้งเดินยงกรมนั่งสมาธิแล้วก็มีสติอยู่ในอริยบทต่างๆนะเราจะมีเวลาภาวนาถึงวันหนึ่งวันหนึ่ง เ, เกือบถึง 14- บสห้าชั่วโมงถ้าเราเพียนได้อย่างนี้ เราไม่เป็นสมาธิจิตทวกงเราก็จะเป็นสมาธิได้เร็วสามารถมีความสงบตั้งมั่นได้เร็วขึ้นอย่กขับความเพียรพยายามของเราเพียรรู้เพียรละเพียรถอดเพียรถอนทำอยู่อย่างนี้แหละทุกระยะบทใช้สติปัญญาปัญญาคิดพิจารณาตามในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติต่างๆของตนทำให้มันดีทำให้สมบูรณ์ไม่ใช่ทำแบบกเกยข้นขินขกด้งขวา ง, วางทาก็เสียหายไปอย่างนี้ ถ้าเราทําได้อย่างนี้ก็เป็นความเพียรของเราส่วนทั้งนั้นพวกแม่ชีแม่ขาวแม่พาม่โยมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะทําอย่างไรวันหนึ่งวันหนึ่งหน้าที่ของเราก็มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราก็คือเพียรในหน้าที่ของเรานั่นแหละความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเราทําอย่างไรตั้งแต่ความสะอาดเรื่องอาหารเรื่องการเก็บอาหารเรื่องภาชนะต่างๆอันนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันดูแลรักษา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านหามาให้พวกเราเพื่อความสะดวกสบายในการบาเพ็ญปฏิบัติไม่ใช่ใครจะมายึดเอาเป็นของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านให้ความเมตตาในการที่เราจะมาอยู่เพื่อความสุขสานในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบหน้าที่สําคัญสำกันของตนเองแต่ละส่วนละส่วนไปการปฏิบัติทำยังไคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องทอั้แหลายยกตัวอย่างร่างกายของเราเนี่ย เราตารูปร่างกายของเรามีแขนมีขามีตามีหูจมูกลิ้นกายร่างกายของเราแต่ละส่วนแต่ะส่วนเขาก็ทําหน้าที่ต่างกันขาก็ทําหน้าที่ทํำยังไงทําหน้าที่ยืนเดินหรือวิ่งเคลื่อนไหวไปมาก้าวหน้าก้าวหลังแขนก็มีหน้าที่จับสิ่งของต่างๆยกของต่างๆตาก็มีหน้าที่เห็นหูก็มีหน้าที่ยินจมูกก็มีหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นก็มีหน้าที่สัมผัสรส ร่างกายของเราก็มีหน้าที่ในการสัมบัติความเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆจิตก็มีหน้าที่สัมบับกําหนดรู้กําหนดคิดต่างๆนะทุกอย่างก็ทําหน้าที่ไม่มีการที่จะก้าวไกลหน้าที่กันเราเอาหูมาเห็นแทนตาได้ไหมเร า, เาตามันฟังเสียงแทนหูได้หรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงของมันถ้ามันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือเรื่องของจิเลสเรื่องของจิเลสมันเกิดขึ้นความหลงความโง่ ความโกรธความอาฆาตพยาบาทต่างๆมันตามมาเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเราต้องศึกษาที่ ใ, ใสใจคอสิ่งกันเลยกันโดยเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติเพื่อเกือ้อหนุนในการปฏิบัติของเราอันดับแรกเรามุ่งมั่นมาเพื่ออะไรต้องถามตนเองเรามุ่งมั่นมาเพื่อตรงการประฤติปฏิบททัติธรรมเพื่อต้องการความเจริญเพื่อความสุขในการเป็นบททัติธรรมเราไม่ใช่มุ่งมาเพื่อจะมาเบียดเบียนกันเพื่อมาแสวงหามาสะสมกองอกิเลส ซึ่งเหล่านั้นชาวโลกเขาสาแสวงหาแล้วเราไม่ต้องไปหากันแล้วมือมัน อ, อยู่แล้วทำอย่างไรเราจะทำให้สถานที่นี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติแก่เราแก่หมนะู่คณะและไม่หนักปวกหนใจแก่ครูบาอาจารย์เราต้องคิดใช้ปัญญาใช้มันสมองเราคิดใช้เพราะเราโตกันทุกคนแล้ววุฒิภาวะเรามีกันทุกคนเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระเจ้าทร ง, งสอนท่านสอนเพื่อให้เรามีความสุขในการปฏิบัติเอามาใช้กันตัน้งแต่การเจริญ ผมวิหารสี่เมตตากรุณาเมิตาอุเบกขาคนเราอยู่ร่วมกันต้องมีความรักความเมตตาสงสารกันเหมือนกูบาอาจารย์ถ้าไม่เมตตาพวกเราไม่รับเข้ามาไม่สงสารและไม่รับเข้ามานี่สิรับได้เพราะความเมตตาสงสารเห็นแก่ที่พวกเรามีความต้องการที่ปรารถนาที่จะพฤชปฏิบัติทํามกันหาสถานที่สัพเพะมิเวกกรหาได้ยากกูบาอาจารย์ที่เมตตากรหาได้ยากอาศัยความเมตตานี่แหละทั้งที่เป็นภาระอันหนัก เอาแค่การอยู่การโขกการฉันเนี่ยเราคิดดูใชอาหารมิถุบาตรลองเอาแค่อาหารมิถุนาบาตเนี่ยถ้าเป็นอาหารมิถุบาตมาล้วนเลยพวกเราฉันได้ไหมมันเพียงพอไหมเพราะเราก็ต้องอาศัยอาหารต้องไปซื้อต้องไปหาต้องหาเพิ่มเติมมานอกจากศรัทธาเอามาเอามาแล้วครูบาอาจารย์ก็ต้องหานี่พวาเมตตาครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ฝังใจว่าเรามาเพื่ออะไรต่อมาความการุณาเราอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือกันกูลกัน ครูบาอาจารย์ก็พึ่งพวกเราเราก็พึ่งครูบาอาจารย์เรามีอันไหนส่วนไหนได้ก็ช่วยเหลือกันเกื้อเหลือดูกูกันเล็กเล็กเล็น้อยก็ตามแต่ถ้าเรากิเลสมาว่าเห็นแก่ตัวอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของมึงเสร็จแล้วอยู่ร่วมกันมากับทะบเลาะเบาแวงกันอันนี้เรามันไม่ใช่ความหมายในการที่จะมาพิสปิบัติธรรมกันมันผิดเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ที่ครูบาอาจารย์รับเข้ามานั้นความการุณาคือความเมตตาเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมภายในจิตใจของเราเราช่วยเหลืออะไรใครได้ช่วยเหลือไป ช่ยเหลือหน้าที่การงานให้มันเบาบางให้มันสําเร็จทุรวดเร็วดูแลตรงไหนขาด ต, าาดตาัวบกพร่องเราก็ช่วยเหลือไม่ใช่ว่าทำเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของกูสุดท้ายแล้วก็มาสะสมกองกิเลสเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุให้เราประฤติปฏิบัติไม่เจริญเข้าหน้าบวชนานก็ช่างถ้ามันมีสิ่งเหล่า น, นี้แล้วไม่มีความหมายครูบาคูอาจารย์มองเห็นรู้ทันทีว่านี่มันมาอยู่ด้สะสมกองกิเลส เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ธรรมะของพระเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันความเมตตาความกรุณาจากนั้นมุ้ดทีตาต้องรู้จักแสดงความยินดีอันไหนที่มันเขาได้ดีแล้วอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันถ้าเขาประพฤติปฏิบัติ ด, ดีก็อนุโมทนาถ้าใครทําคุณงามความดีก็อนุโมทนาเห็นคุณงามความดีของเขาเราก็อนุโมทนาอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันมันเรื่องของจิเลสจากนั้นกนสอนเราวางอุเบกขา ในบางสิ่งบางอย่างเราพยายามทําแล้วเพียนแล้วถ้ามันไม่ได้ดั่งใจเราถ้ามันไม่เป็นไปตามเรื่องของเราเราก็ต้องรู้จักวางบวบีกขาปล่อยวางมันซะแต่ไม่ใช่ปล่อยวางแบบโง่โ ง, ง, ง่ปล่อยวางด้วยความฉลาดดูทุกสิ่งทุอย่างนการอยู่ร่วมกันต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นธรรมะเป็นพื้นฐานไม่ใช่เราคิดว่าจะมาเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วเรีอกคนอื่นข้าไม่เอานั่นคือเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่เราเข้ามาเพื่อเป็นภาร ะ, ะคนอื่นเราคิดว่าเราดีภาวนาดีเก่งดี แต่ในขณะเดียวกันเราเหยียบเพรคนอื่นคนอื่นทํางานแทบตายคนอื่นหามาอยู่มากินมาเลี้ยงดูให้เนี่ยมันคุ้มกันไหมกับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันถูกต้องดีงามยิง่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาประโยชน์ตนก็ต้องได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องได้จึงเรียกว่าอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขดีงามึปีนี้เป็นปีแรกที่รับมากปกติเราไม่รับเลยไม่ชี้ไม่เคยบวชให้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจกัน พระอยู่บทใหม่ก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อต้องแสวงหาความสุขในทางพืชปฏิบัติให้ความเจริญก้าวหน้าในธรรมให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าการที่เป็นเครื่องอยู่ของเราได้อย่างดีที่สุดก็คือข้อวัดปฏิบัติของเรานี่แหละที่มันเกื้อกูลกันสัมพันธ์กันมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากนั้นศีลถ้าทุกคนมีศีลเสมอกันหมดมันจะไม่มีการตําหนิตีเตียนกันถ้าคนนั้นกันรักษาคนนี้ก็ไม่รักษาเสร็จแล้วก็มาทะเลาะบบาแวงกันมาว่ากันอีก นี่มันเป็นเรื่องเพระนั้นเจ้าจึงบอกให้รักษาสินเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นถูกต้องลงตัวกันนะเราถึงจะปฏิบัติไปได้ไม่งั้นก็มาทะเลาะเบาแว่งกันอ้าวอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ไม่ถูกกูดีมึงดีกูมึงดีกูเลวมันชั่วกว่ากันไปอีกสารพัดที่จะเป็นกันไปเพราะฉะนั้นเราต้องชิ้ น, นาดูการที่เราเข้ามาอยู่ประฤติปฏิบัติเพื่อความจเจริญ อ, อย่างนั้นนั้นสินเราต้องสมบูรณ์กันใครจะรักษาสินห้ารักษาสินแต่ก็รักษาไปยะ รักษาในส่วนของตนอย่าให้เขาทุกขระเทือนกันเพราะศีลมันปีตามลําดับของคนที่จะรักษาได้ของพระของเนตรก็เหมือนกันเราก็รักษาให้มันสงบจากนั้นก็เจริญสติของเราทําอย่างไรจะให้มันมีความเจริญให้เกิดเกิดความสงบเพราะใจที่ไม่สงบนั่นแหละมันวุ่นวายมันเดือดมันร้อนอยู่เดี๋ยวก็มีนั่นอันนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆกิเลสพอกพูนึ้นมาความโกรธความเบื่อความหลงก็มาเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปที่ไหนมันก็มาทะเลาะกับตนเอง มาทะเลาะกับพวกว่ครอครองของตนเองนั่นเองมันเก็บอยู่ในใจมันดันอยู่ในใจแรกๆมันก็ไม่มีอะไรมากขึ้นมากขึ้นมันดันออกมาเราต้องนินทากันว่ากันสุดท้ายแล้วก็เมื่อมันพูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วนั่นแหะมันก็แสดงออกทางกายมันก็ทะเลาะกันขึ้นมาเหตุมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาอยู่ประพฤติปฏิบัติเราต้องเข้าใจมีเจิตนามีเจตนาและเป้าหมายมันชัดเจนว่าเรามาเพื่ออะไรครูบาอาจารย์ท่าน อุดสาเมีตารวมสั่งสอนแล้วเราทำตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับที่ท่านเมตตาที่ใหญ่อบสั่งสอนหรือไม่ท่านเป็นพร ะ, ระทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสอนธรรมะ ก, ก็ต้องสอนอีกในการปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้เรานึกถึงดึงพวกเราบางคนเคยเป็นพ่อเป็นแม่นึกถึงหัวอกของตนเองเราเคยรักลูกอย่างไรครูบาอาจารย์ก็รักพวกเราอย่างนั้นเราปาฏนาให้ลูกดีอย่างไรครูบาอาจารย์ทานก็ปาฏนาให้พวกเราดีอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้อง คิดว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะอยู่ด้วยความผาสุขเย็นใจให้ท่านไม่น่าก อ, อกหนักใจนี่วันนี้การอยู่ร่วมกันอย่างนี้นให้ประพฤติปฏิบัติรับผิดชอบหน้าที่ของันเองเอาธรรมะมาใช้ให้ถูกทการถูกเวลาถูกสถานที่อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นอย่างไรถ้วยจานถ้วยถ้วยชามใครก็ไม่ล้างเพราะทุกคนเห็นแก่ตัว มันก็กองมาเล่นนันเทอรอยู่อย่านั้ขยะก็ไม่มีใครเก็บอาหารที่เขามาถวายหรืออาหารที่ซื้อมาก็น่าเสียเสียพราะทุกคนเห็นแก่ตัวหมดต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องสนใจแล้งสิ้นเราลองคิดภาพง่ายๆแค่นี้แต่ถทุกคนเสียสละดูแลกันส่วนนู่นเป็นมีส่วนนี้เป็นยัเก็บเกี่ยวเป็นไงใช้ปัญญาส่วนไหคนควรทําส่วนไหคนควรเก็บไว้อันไหนมาก่อนมาหลังทํามากทําน้อยดูจํานวนพระท่านกับเราก็ต้องพิดนาดูจริงๆต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นเลย ในส่วนของพระท่านกันต่างหากอยู่แล้วท่านครูบาอาจารย์ก็ดูแลโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพาสวดรวมเพราะเราอยู่ร่วมกันจะมาสวดแต่พร ะ, ะนั้นสวดข้างล่างไม่ได้เรื่องเลยเรามันก็ไม่ได้อีกญาติโยมเข้ามามาแล้วเลงไปที่ไหนเขาลงไปงไรลร ง, งครัวถ้าลงครัวโศกะปกเป็นอย่างไรแม่ชีโศกะปกเป็นอย่างไงศีลไม่มีทะเลาะเบาแวงกันเขาเข้ามาเท่านั้นแหละเขาอยากหนีไปทันทีไม่มีความสงบความเย็นส่วนของพระเราครูบาอาจารย์ท่านดูแลตรงๆอยู่แล้ว แต่ถึงอ่งนั้นมันก็มีทุกปีทุกปีมีอย่างเงี้ยที่มันจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดเหตทะเลาะว่าแวงกันวัดไหนก็เป็นอย่างนี้วัดครูบาจารย์ถึงจะเด่นถึงจะดังขนาดไหนก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนถึงพระทั้งเดนทั้งชีทั้งพามทั้งหลายแสวงหาที่มีเรื่องที่นั่งกับไปที่หุ่นอะไรื่องนี้ไปนี่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่นั่นเลยอย่างเวลาที่พวกเรามาพบสถานที่ที่เป็นสัพเพยาครูบาาจารย์มีความเมตตาทั้งอบรมทั้งเทศนาว่าการสั่งสอนทุกสิ่งอย่าง พวกเราควรตั้งใจวิสปิบัติกันในตลอดพรรษานี้อะไรก็ช่างให้เก็บไว้ปณิใจใจใช้ปัญญาใช้ธรรมะของเราของผู้เจ้ากออกแสดงออกซึ่งกันและกันเอาแค่ความเมตตากรุณาเมิตาอเวกขาดังที่ว่ามานี้ทำให้ผาสุกเย็นใจแล้วจเจริญผพ ม, มิหารสีไว้ในใจของเราจากนั้นอย่าอยู่ที่ความมัวเมาประมาทพินาร่างกายของเราพินาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเราบ่อย เพื่อทําให้เราประลบครวมเพี้ยนขึ้นมามีความขยันหมันเพียนขึ้นมาไม่ท้อไม่ถอยถ้าเราพิจารณาความตายเอาพวกนี้เราจะตายเราจะทําไงคืนนี้ยังมีชีวิตอยู่เราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราจะเห็นดวงอาทิตย์หรือเปล่าพวกนี้เผื่อเราตายกลางค่ำกลางคืนเป็นลมตายขึ้นมาจะทำไงเราก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้เราก็พิจารณาเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายอยู่บ่บอยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีความนีกาลังใจในการที่จะพื้ปฏิบัติ เนี่นก็ไม่มีความประมาทในการกินในการนอนสําหรับเราผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ก็ต้องเจริญอยู่อย่างนี้เพราะเราเห็นโทษที่เราเกิดมาแล้วต้องมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเราเจริญความตายอยู่ยบ่อยๆก็ทําให้เรากระตือร้นรในการปฏิบัติแล้วพี่นาล่างกายของเราให้เป็นอสุภะให้เห็นความเป็นของส ศ, ศกโศกโซโครของอวัยวะต่างๆเราจะได้ไม่หลงตัวหลงตนหลงกันและอกันอยู่อย่างนั้นเนี่ ว่าร่างกายคนเรามันเป็นอย่างนี้มีแต่ของโ ส, สกโปะโสโคกไหลเข้าไหลออกทั้งทางปากทั้งทา ง, ทงจมูกทั้งทวารทั้งหมดทั้งมงนวล น, นี่แหละเพราะฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้ทำให้เราคลายความกําหนัดจินดีก็<ม>อนเป็นอยู่ของเราก็อยู่ด้วยความผาสุขเกินใจไม่งั้นเราก็เกิดความกําหนัดจินดีสิ่งนั่นที่นี่มามันก็ถิดความลําบากทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองกิเลสกามรมาลาคะเกิดเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาอย่างนี้ทหรับผู้ปฏิบัติใหม่ผู้บวชใหม่ มันต้องหางอุบายวิธีเพราะกิเลสเราเข้ามาเนก็คือกิเลสล้นล้นการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีเข้ามานั้นมันแค่เปลี่ยนตามรูปแบบรูปฟอร์มที่ผู้เจ้าสวงวางไว้นะ่ะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยมันเปลี่ยนไปด้วจากการข้อวัปฏิบัติของเรานี่ต่างหากดยการรักษาศีลในการเจริญภาวนานี่ต่างหาจิตใจมันมีสมาธิขึ้นมาบ้างแล้วนะมันถึงจะเห็นชัดว่ากิเลสเราเป็นอย่างไรความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราเป็นอย่างไร จนข้ามมีปัญญาพิจณารู้เท่าทันอาการสิ่งต่างๆนั่นแหละเราจึงถห็นความสุขอย่างแท้จริงเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราอย่างแท้จริงเพราะในการพืชปฏิบัติธรรมเราต้องนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละถึงจะมีความผาสุขเย็นใจความสา ม, มัญคีในหมู่ของเราในการทําสิ่งนั้นทีนี้วัดกันล่มลื่นหน้าอยู่ขนเข้ามาก็เย็นอกเย็นใจ ไม่ใช่เข้ามาแล้วเอาไปหาคนนู้นมีแต่พูดนินทาว่าร้ายนินทาคนนู้นคนนี้เอาเรื่องไม่ไดีไปเล่าเขาฟังเสร็จแล้วก็พ อ, อเกิดเหเกิดเรื่องขึ้นมาก็ทะเลาะบาแวงกันแต่ละวัดแต่ละ ว, วัดเข้ามาเห็นเป็นอย่างนี้ตลอดอประสบการณ์ที่ผ่านมาอยู่ครบาอาจารย์วัดใหญ่โต ก, ก็เป็นพวกเราอยู่กันแค่เล็กน้อยอย่าให้มีเกิดขึ้น อ, อย่างนั้นไม่ว่าฝ่ายพระฝ่ายฆราวาสไม่ชี้ไม่พานทั้งหลายก็ดี ต้องบอกตัวเองว่าเราตั้งใจมุ่งมาเพื่อมาพิสปฏิบัติธรรมสถานที่ครูบาอาจารย์ท่านเปิดให้พวกเราเพื่อมาสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีทำให้แก่ตนเองหาความสุขให้แก่ตนเองเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาสังสมกองกิเลสไม่ได้มาแบบแบกหามเอากองกิเลสเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นการปฏิบตัติเราต้องการมั่งต้องการผลให้เกิดขึ้นแก่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบตัติทั้งหมดต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ เราต้องกําหนดไว้ไในจิตใจของเราคือตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทําอะไรในแต่ละวันละวันละวั น, วนที่เป็นฝ่ายภาลบขมเพียนเช่นเราจะตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ไหมตื่นนอนตีสีล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเดินโยงกรมนั่งสมาธิาสว่างแล้วออกมากวาดใบไม้เตรียมข้อวัดปฏิบัติต่างๆออกบิณฑบาตจากนั้นกลางวันเราจะพักหรือไม่พัก ถ้าเราตั้งสัจจะไม่พักไม่นอนก็ปรลกคมเพียรในการเดินนยมโคมนั่งสมาธิเราก็มีเวลาตั้งเยอะแยะจากนั้นมาฉันน้นาศศําปะเสร็จก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เราไปเดินกลับไปเดินโยมโคมอีกจนกระทั่งเวลากว่าไปมงไปไม้ทาํากวดต่างๆตกค่ามาเรามาไหว้พระสวมนต์นั่งสมาธิกลับไปแล้วเราก็ไปเดินโยมโคมภาวนานั่งสมาธิต่อตั้งสัจจะถ้าไม่ถึงสี่ท่ไมไปล้มตัวลงนอนหรือไม่ถึงห้าทุ่มไปล้มตัวนอนแล้วก็ตั้งสัจจะอีกนอนราตรีเดียวถ้าเรา ตื่ น, นอนเวลาไหนก็ช่างเราจะไม่นอนซับอีกเลยลุกขึ้นเดยยินงุมนั่งสมาธิต่ออย่างเนี้ยต่ลบความเพียรนี้ก็มีแต่ความจเจริญด้วยฝ่ายเดียวนี่เรียกว่าต้องมีตั้งสัจจะอธิษฐานในการทำความเพียรถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วมันจะล้มความเพียรทันทีนิดนดใหน่อยมันก็จะมีข้ออ้างนิดนหน่อยมันก็จะมีข้ออ้างนะขี้เกียจขี้ข้านไปหมดอย่างพาเราก็นั่งนิดนหน่อยอ้าวละมีข้ออ้างนะแต่ถ้านั่งกับครูบาอาจารย์มานั่งได้กลับไปนั่งกุฏ เสร็จถ้ามันมีข้ออ้างกิเลสไม่ได้านล้มความเพียรงนั้นถ้าเราไม่สู้มันไม่ฝืนมันก็ไม่ด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆล้มหมดขี้เกียจทําวัดขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจตั้งสมาชิกเยอะกว่าขี้เกียจขี้เกียจ เ, เ, เ, เอาสุดท้ายแล้วก็ไปแล้ะเอาแต่กองขี้ไว้ให้คนอื่นเขาเก็บอ ย, อยู่ข้างหลังนี่แหละเพราะาความขี้เกียจมาทิ้งกันไว้หมดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการตั้งศีจษะทิฏฐานธรรมะพระพุทธเจ้ า, า, าทั้งสอนทั้หมด ไม่ใช่อะไก็รอฟังครูบาอาจารย์นําพืชปฏิบัติลองทำไม่ใช่เราต้องมีความกระตือล้อนใส่ใจตนเองมีเป้าหมายของตงนเองเพราะฉะนั้นเราต้องธประพฤติปฏิบัติศึกษาในหลักของพระเจ้านี้ต้องมีปริยัติค้นคว้าตํำรับตาําราพระเจ้าสอนอะไรประวัติท่านเป็นยังไงประวัติของภาษาาวกเป็นอย่างไรหลังจากนั้นคําสอนของท่านในแต่ละขณะขณะที่ท่านเผยแผ่สี่ผ้าภาษาท่านสอนอะไรบ้างสอนแก่ใครบ้างเพื่อให้เกิดศรัทธาและเพื่เกิดความรู้ยิ่งของเรา จากนั้นเราก็สอนอศึกษาเรื่องของพระวินัยสินของวี่สิบเจ็ดข้อมีอยังไงก้อพระปฏิบัติต่างๆมีมาในที่ไหนไปเปิดดูในตํารับตําราในพระวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามีหมดเราก็ยึดมั่นถือนั่นเป็นแนวทางเป็นคัมภีร์ของเราในการพฤ้นปฏิบัติเพราะเรื่องสินนี่เป็นเรื่องที่ตายตัวถ้าทําแล้วก็ถือว่าผิดผิดมากผิดน้อยท่านบัญญัติไว้เล่มร้อยหมดส่วนเรื่องทําเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติเอาเองเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้น ไม่ภาวนามันก็ไม่เกิดขึ้นความสงบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความคิดความพิจารณาของเราศึกษาเรียนรู้ในหลักคําสอนพระเจ้าเรียกว่าปริยัติและก็ในภาคปฏิบตัติเราไม่มีเวลามากที่จะไปศึกษาปฏิปิบดุทั้งหมดเราศึกษาเอาในภาคปฏิบตัติว่าด้วยสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรทำให้เรียกว่าสมถะทาให้เกิดสมาธิสมาธิมีอย่างไรบ้าง อุปจารสมาธิขัิกัดจมาที่อุปจารสมาธิอัปสนาสช้เป็นอย่างไรอาการลักษณะเป็นอย่างไรปัญญามีอะไรบ้างวิธีเจริญปัญญาเป็นยังไงท่านสอนไม่หมดแล้วเราเรียนตรงนี้ไว้ซะก่อนแล้วลงมือปฏิบัติเราก็จะรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วมันก็จะวิ่งประสานกันไปว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วอาการนี้มันเกิอดอย่าง ง, งี้เวลาเรียนจากุู้เจ้าท่านสอนไว้มันเป็นนี้มันก็รับรองกันมันก็ไม่เป็นที่ปลาสไม่เป็นบ้าไม่เป็นคนทําแต่เพราะฉะนั้นมันต้องมีปริยัต แล้วค่อยลงมือปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยความลาภพื้นนิยมนี่วิธีฝึกการปฏิบัติตัวเองเป็นอย่างนี้เพราะจาเป็นที่เราต้องศึกษาเรียนรู้คําสอนของท่านค้นคว้าตํำรับตําราไปอ่านดูพระสูตรต่างๆท่านสอนอะไรสอนแกใครว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรจากนั้นเราเป็นผ้าหัวดใหม่ก็ต้องไขในการที่จะบไายพระสวนน่สวนมนต์บทส่วนมนต์ต่างๆถึงแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไปพาสวดเราก็ทวนสวดเอง อยู่ที่กุฏิก็ควรสวดเพื่อให้มันได้และกระ บ, บทที่เราจะให้พรแก่ศรัทธาญาโยงทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ต้องสวดให้ได้ไม่ใช่อยู่ตลอดพรรษาก็ไม่ได้อะไรเลยสัพพีติโยอะไรก็ไม่ได้ญาถาอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องขวนขวายศึกษาอะไรสิ่งเหล่านี้การสแสดงอาบัติการโปรงอาบัติการลงฟังปฏิโมก ค, ความหมายมันคืออะไรเราต้องศึกษาถึงที่จะชื่อว่าเราเป็นนักบุตรกันทุกคนทุกคนให้ประลบอย่างนี้ ส่วนทางโรงครัวก็เหมือนกันเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันในการทํางานต่างๆขึ้นมาอย่าให้มันหนักมันหนาให้มันเป็นภาระแก่กันคนเราถ้ามันทําอะไรแล้วมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเป็นภาระกันมันก็ทําให้กระทบกระเทือนกันไปหมดส่วนนั้นก็ไม่เอาส่วนนี้ก็ไม่เอาเราอยู่อย่างนั้นก็แค่รักษาสินแตรักษาสินห้าเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมีข้อห้ามเยอะแยะไปหมด เงินเขาก็ห้ามจับตัดต้นไม้ตัดมันย่าก็ไม่ได้เขาต้องอาสัยพวกเราทั้งนั้นะดูแลเรื่องส่วนนี้แล้วก็เรื่องการทํอาอาหารการอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ของกเราทุกคนต้องรับผิดชอบส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรมากมายเลยผู้ที่เป็นรักษาศิน8ปดสินห้ากแค่นั้นเองจากทั้งข้อปฏิบัตอิอื่นๆมันทําได้หมดมันช่วยกันอย่าไปคิดว่าอันนี้ทําไม่ได้ทําได้เหมือนพระไม่ใช่พระนี่ยเขามีข้อปฏิบัติห้ามเด็ดขาดแต่ของชีของพาม ของพวกเราทั้งหลายมันไม่มีศินแปก็คือศิน8ปดสินห้าก็คือศินห้าจบถนองนั้นเราทําได้หมดเลยอย่าไปคิดอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องดูธรรมะในใจของเราเราจะช่วยอะไรให้ได้ช่วยส่วนรวมได้อย่างไรช่วยหมู่คณะได้อย่างไรเพื่ออะไรก็เพื่อความเจริญว่างามในการปฏิบัติของเราไม่ให้หนักไม่เห็นให้เป็นภาร ะ, ะคนอื่นเราเคยเป็นแม่คนเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นสามีเคยเป็นภรรยาคนอื่นมาเรารู้ขนาดไหนเวลามันเป็นภาร ะ, ะหนักในครอบครัว เราเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันเราลองคิดดูถ้าเร า, าทําอย่างนั้นเราคนอื่นเขาจะเหนื่อยหรือเปล่าเราลองคิดดูแต่ถ้าต้องคนต่างช่วยเหลือกันนะมันก็สะดวกสบายอะไรก็เสร็จเร็วเสร็จแล้วเราก็เข้าที่เดินจงกรมภาวนาเวลาที่เหลือมีเวลาปฏิบัติเยอะแยะไปหมดนั่นแ้วความเจริญจะอยู่ที่ไหนก็อยู่แก่พวกเราเองคนไม่เป็นสมาธิก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาคนไม่เป็นปัญญาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมากูบาอาจารย์ก็มีแก่ใจในการที่อดรวมสัง่งสอน แต่ถ้าพวกเราอยู่แล้วไม่พึงปฏิบัติซ้ำมาทะเลาะเบาแวงกันซ้ำมาทําให้เกิดความแตกแล้วแต่ช้างอีกครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่อยากจะเมตตาไม่อยากจ ะ, อ, กจะอบรมสั่งสอนท่านมีแต่จะขับจะไล่หรอีกต่างหานั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจตําหนักในสิ่งส่วนนี้ออกมาการที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมการที่ศึกษาในคําสอนเจ้าเราต้องเอาธรรมะมาใช้ในปัจจุบันนี่ไม่ใช่มามาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติก็เลๆเท ะ, เ ะ, เ ะ, เ ะ, เะคุณธรรมที่แสดงอกอกก็ไม่มี ธรรมะของพระเจ้าก็ไม่มีมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านมามีแต่ความที่ทเป็นภาร ะ, ะคนอื่นอย่างนี้ไปที่ไหนก็ไม่เจริญตนเองก็ไม่เจริญพอสุดท้ายแล้วมีแต่ความที่จะทะเลาะเบาแวงกันทําให้วัดแตกไปสู่ทางหากักนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะอยู่ร่วมกันตั้งสามเดือนต้องพูดบอกไว้ก่อนเพื่อไ ม, ไม่ให้เป็นสิ่งที่จะต้องมาเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้ถึงที่สุดแต่ละคนละคน ก็ต่างคนต่างมากูบาอาจารย์ไม่ได้เอาดอกไม้ถูกเพียนไปเชิญเรามากูบาอาจารย์ไม่ได้จ้างเราไม่อยู่เรามากันทุกคนก็เพื่อมาสร้างของคนงานความดีเพราะฉะนนั้เมือ่อท่านเมตตาแล้วเราต้องดูแลกันใช้ธรรมะนำมามาใชใ้มันถูกต้องดีงามเพื่อความเจริญของเราเมื่อพวกเราปฏิบัติแล้วเจริญนอก ง, งามแล้วอะไรล่ะที่มันเจริญก็คือวัดของเราเจริญศรัทธาญ า, าติโยมเขาก็มีความเชื่อความเ่มตตาศรัทธาเขาก็อยากมาทําบุญแล้วผลของบุญนั้นว่าตกที่ไหนก็ตกที่พวกเรา ได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยเพื่อความสุขสบายในกรรมวิมพันธ์ปฏิบัติภาวนาให้เราตระหนักอย่างนี้ไว้ดีเพราะฉะนั้นในพรรษาสามเดือนนี้ขอให้ตั้งใจกันทุกคนทุกคนทั้งพระเก่าพระใหม่ถ้ายังไม่มีสมาธิเอาให้มันเกิดขึ้นอะไรที่มันควรละทิ้งละเว้นกันปล่อยวางละทิ้งละเว้นไปตั้งใจพิสปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับกรรมฐานที่ตัวเรีองไว้แล้วเขาว่าปฏิบัติต่างๆเราก็จะเจริญลอกงามดีงามตั้งสัจจะอธิฐานไปอย่าล้มคําอธิฐานของตอนนัวเอง ทำให้มันมีทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะสัมสอนอย่างนี้สถานที่กัสัปปะะพเพะครบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสนาสนะไม่ว่าบุคคลไม่ว่าอากาศไม่ว่าอาหารพอเป็นพอไปทั้งนั้นถ้าเราปฏิบัติในสถานทีปปะะ่อย่างนี้ไม่ได้มันสอบประยะอย่างนี้ไม่ได้เราจะเสียดายเวลาที่เราไปที่อื่นแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เราจะเสียดายว่าเราเคยอยู่สถานที่มันสงบสิวิเศษสอบประยะคระะูบ า, าอาจารย์ที่อบรมสัมสอนที่นี่ด้วยความ ตั้งใจแต่เรามาเละเทะแล้วมันกระล้มเหลวแล้วเราก็ต้องไปหาที่อื่นอีกกลัวจะไปปรับตัวเขาได้เราก็มาเสียดายในภายหลังในสารที่อย่างนี้งั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นใช้ปัญญาเราพี่นา้าเราบอกเราทำอย่างไรอยู่จ ะ, จะมีความสุขเป็นนี่ได้ทั้งประโยชน์ตนได้ความสุขของตนแล้วก็ได้ทั้งความสุขของส่วนรวมได้ประโยชน์ของส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูตามีหูมีจะบวงมีลิ้นมีกายมีใจมีเหมือนกันหมด ให้มีสติปัญญาดูในการได้ยินได้ฟังในการได้เห็นอะไรควรดูควรแก้ไขดูใหญ่เามาตําหนิตีเตียนได้เขาตำหนิตีเตียนพวกเราก็ต้องตำหนิตีเตียนกูบาอาจารย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังทั้งความสะอาดดูให้มันชัดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรควรเก็บรักษาอย่างไรอย่างไรทั้งเรื่องของใช้ทั้งเรื่องอาหารต่างๆแล้วสิ่งไหนควรทําก่อนควรทาหลังไม่ใช่เน่าบูดเน่าเสียเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไปคว้างมันเสียเราซื้อกันมาเท่าไหร่ คนที่ไปจ่ายตลาดเขารู้ดีศรัทธายาโยมเข้ามาเขาคือเสียดายของเขาเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไถ่ควรการทําอะไรต่างๆใช้ปัญญาเงี้แหละอย่าเอาอารมณ์ความอย่าเอาอารมณ์กิเลสความส่วนตัวเข้ามาต้องให้เป็นธรรมธรรมต้องแสดงออกให้มันชัดเจนความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนต้องมีความยุติธรรมความพอเหมาะพอดีแล้วเข้าของเครื่องใช้ก็เหมือนกันอันนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านแบ่งให้แล้วนะ่ะถ้าเอาลงไปข้างล่างคือช้ากันได้แต่อย่าให้มันเป็นกิเลสอย่าเอาไปสะสม ความพอเหมาะพอสมแบ่งกันใช้เราอยู่ร่วมกันมีอะไรก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปเพราะทุกคนก็ต่างมีความจําเป็นแต่ละคนละคนของสงฆ์ก็เหมือนกันพระท่านรับมาแล้วอาจารย์รับมาแล้วก็ทิ้งให้สงฆ์หมดถึงเวลาขนาดตัวเองจ็งต้องให้หมู่คณะเอาขึ้นไปให้ไม่ใช่ไปสั่งสมกองไว้กองว่าไม่ใช่อย่างนั้นเอาให้หมู่ใช้ส่วนรวมแต่ทุกคนต้องรู้ต้องรู้ตนเองว่าเราใช้แค่ไหนพอแค่ไหนที่เหลือหมู่คณะเป็นยังไง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ขวนสิ่งเหล่านี้เราถึงจะเป็นธรรมทางนั้นก็ม่เหมือนนักปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสที่เข้ามากอ่อมากโวยมาเห็นแก่ตัวมีมึงมีกูของเขาของเราอยู่อย่างนี้แหละแม้แต่ของเข้าของเครงใช้ได้ยินบ่อยๆไม่อยากจะพูดกระทะกูกตะลิวกูหม้ อ, อกูแยกนั่นแยกนี่นนนขึ้นอยู่นั่นเห็นครูบาอาจารย์ไม่พูดแล้วก็ล้ำหน้าไปเรื่อยล้ำหน้าไปเรื่อยเวลาพูดทีกันเห็นกระเทือนกันอย่างนี้แหละพวกเราสังสมกองกิเลสท่านก็เห็นอยู่ทนโทษ แต่ใช้ความเมตตาท่านไม่อยากจะพูดให้กระทบกระเทือนแต่เวลาเนี่มันมากขึ้นมากขึ้นต้องพูดเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมาท้อเล่าหัวแว้งกันี่เดี๋ยวจะเอาตะหลิวเอาทับพีตีหัวกันเองเพราะฉะนั้นต้องพูดในสิ่งเหล่านี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้ามันเกิดเหตุจริงๆนั่นแหะมันจะเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านจะต้องตัดสินกันเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บอกกล่าวกันเพื่อความพาสุกด้วยความอยู่ด้วยกันด้วยความนุ่มเย็นพอเราต่างมุ่งมาต่างมุ่งมาสแสวงหาในการพิสปฏิบตัต คนที่เขามุ่งดีจริงๆก็มีคนที่เขามุ่งจะไปหลุดไปพ้นก็มีจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นเราจะมากดมาถ่วงกันเนี่ยเป็นมันตัวกดตัวขว่งตัวดึงกันเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เ, ออเ ร, รื่ความาเบตีตากรุณานมืดตาเบกยดาทั้งที่ว่างมาธรรมะต้องออกมาใช้รู้จักทำรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักเขารู้จักเรารู้จักการเวลาถ้าเราธรรมะนำไปใช้ในถูกสถานที่อย่างนี้มันไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใคร มันมีแต่คุณถ่ายเดียวแต่พอเราไม่รู้จักอรอย่างนี้แหละว่าเดี น, นี้คืออะไรจะใช้ทําอะไรไมาใช้อย่างนี้ใช้ผิดประเภทแล้วใช้ทำผิดประเภทแล้วมันก็เสียหายไม่มีเหตุมีผลอ่าเสร็จแล้วไม่รู้จักการละเทสะไม่เคารพกันตามอวโสุพันเตไม่ลเคารพกันตามศีลอ่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนกับลูกที่เถียงพ่อเถียงแม่ลูกที่ตีพ่อตีแม่แล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพุ้ชายอังศ์สอนเราปฏิบัติธรรมก็ต้องทำมะใช้ทําให้มันถูก ต้องมีเหตุมีผลต้องรู้จักทำรู้จักบุคคลรู้จักการสถานที่รู้จักเวลาไม่ใช่เราจะทํำยังไงก็เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เป็นใหญ่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งภาระอันหนักให้ครูบาอาจารย์ท่านโดยไม่มีความเคารพจําเกงซึ่งกันเลยกันนี่มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ววัดมันก็แตกตน้นเองเราต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนเราเปิดให้รุ่งทุกอย่างแต่เราก็ต้องมีความเมตต์ต้องมีความเคารพจําเกงท่าน ต้องมีความไว้มีเกงอกเกงใจกันถึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เปิดพืชปฏิบัติธรรมพระเจ้าสอนทั้หมดสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นแล้วเราก็เหมือนชาวบ้านอยู่ด้วยกันมากับทะเลาะเบอแวงกันอยู่ร่วมกันมาก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความกอบความโกยแข่งทันชิงดีชิงเด่นกันว่ารายป้ายสีกันเราไม่ใช่อย่างนั้นเราสละสิ่งเหนั้นออกมา้เราเบื่อหมดแล้วพวกนั้นเราทาไมเราออกจากบ้านจากเรือนมาเพราะเราเบื่อสิ่งเหล่านั้น เรามาอยู่สถานที่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะสละออกในการพิสปิบัติแล้ววลานี้เราจะเอามาแสดงออกอีกทําไมเราต้องบอกตัวเองงี้สอนตัวเองงนี้กำชับกัญชาตัวเองงนี้อย่าไปคิดว่าตัวเองดีคนอื่นอย่าไปคิดว่าตัวเงนี้เก่งกว่าคนอื่นเราเกิดมาเสมอกันหมดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วจะไปเอาอะไรนักหนาทําทไมไม่เอาคุณงามความดีมาแสดงออกซึ่งนั่นละกันซึ่งจะเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่น่าชมเชยแก่หมู่คณะแก่ครูบาอาจารย์แม้แต่เทพเทวดาหลายเขาก็ชมเชย เพราะฉะนั้นเราจะเอากิเลสตัวดีๆมันออกหน้าออกตาให้เอาทำมาดีๆนันออกหน้าออกตาครูบาอาจารย์ท่านจะยกดวงสรนเสริญนี่แหละการพฤรุปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสถานที่ทุกอย่างสัพเพะหมดแล้วครูบาอาจารย์เปิดไว้หมดแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจพฤรุปฏิบัติช่วยเหลือเกื้อกูลให้มันการพิรุธปิบัิเมื่อเราก้าวหน้ามันมีความเจริญศรัทธาจะโยมเขาก็มีบุญไม่ใช่เข้ามาแล้ววัดนี้ทําบุญก็ไม่ขึ้นมีแต่พระมีแต่แม่ชีแม่ขาวแม่พานทั้งหลายก็ อยู่กันเละเทเทะไม่ได้เรื่องเลยเราเหมือนเขาที่เขาไปพูดให้เราฟังเวลาเขาไปวัดอื่นมาเพราะฉะนั้นวัดเราอยากเป็นอย่างนั้นขอให้เขามาเข้ามาเขาสัตเลิศเสื่ญโอ้ยไม่ชีก็ปฏิบัติดีภาวนาดีเออแม่พานก็ดีทําอาหารก็มีความสะอาดสะอ้านเก็บเข้าของเรียบร้อยดีงามเขาอย่งขยะก็ไม่สกปรกมดเท็ดเสื้อผงเสื้อผ้ากัเก็บไว้ได้ความเรียบร้อยดีงามไม่มีอะไรที่ของหูขวางตาคนให้เขาชมอย่างนั้นสิพระเราก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็เห็นว่าโอ้พระนี้ปฏิบัติดี ขอวัดปฏิบัติก็ดีมีความเมตตามีความสามัคคีรักใคร่กลมกลืนกันนีเขาก็เป็นบุญกุศลแล้วเขาเห็นแถวนี้ไม่ใช่เขามาเราเห็นแต่ความเละเทะเทมองดูที่ไหนก็มีแต่เหมือนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาของเราพิจารณาการอยู่ร่วมกันนี้จพักสุขเย็นใจนี่จึงฝากไว้ใ น, ในวันเข้ากรรษาให้พวกเราเพื่อเราจะอยู่ร่วมกันอีกตั้งสมเดือนนี้ทำอย่างไรจังมีความสุข ทำยังไงถึงยีงมีความเจริญถ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วเราก็จะหลงตนเองล้วมตัวเองไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นคนทะเลาะ อ, อ่าแว้งกันมันก็ขัดขวางในการบาเพ็ญภาวนาในการพิสปิฎลของเราเพราะฉะนั้นกา ร, สรแสดงธรรมให้ทุกคนก่เวลาเอาจากนี้นั่งภาวนาแผ่เมตตาเกิดิ่งดามดาเนี่ยเกิดครูบาอาจารย์สรรพสัตว์ทั้งหลายแกิจกรรมในเวรให้ได้เสวยพ้บุญที่เราภาวนากันสกอสักคู่กันเลยกัน